ตอ น, นอยู่คนเดียวหรือเปล่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนไหนก็เพื่อนตันหานี่แหละตันหาที่เป็นภายในตันหาคือบางทีเนี่ยนะตันหามันก็มีหลายระดับนะมีทั้งหยาบมีทั้งแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสังคมรับได้กับรับไม่ได้แบบทั่วๆไปก็คือรูปประทันหาชอบสีชอบเสียงชอบกลิน่นชอบรสเป็นต้นนั่นแหละอย่างที่พระองค์ตรัสว่าบุรุษนี่มีตันหาเป็นสหายเป็นเพื่อนที่สองท่องเที่ยวไปตลอดกาลนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสงสารไม่ล่วงพ้นขันทาศยตนะอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะว่ากฎเกณฑ์ของตันหาตันหาคืออะไรตันหาก็คือตัวที่สร้างสังสารวัตรตัวที่สร้างวัตตะเนี่ยตัวที่สร้างพบสร้างชาติตัวที่สร้างความเพลิดเพลินตัวที่สร้างความติดข้องในวัตตะไม่มีจบมีสิน้นถ้าหากว่ายังคบตันหาเป็นเพื่อนต่อไปสังสารวัต ก, ก็ไม่มีจบมี สิ้นเน่นะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาต์ก็ไม่มีจบมีสิ้นเพราะว่าตันหาตันหาตัวนี้แหละคือเหตุที่สำคัญแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนเป็นเหตุแห่งความคับแคนเป็นเหตุแห่งความลำบากทางร่างกายและจิตใจก็มีตันหานั่นแหละเป็นปัจจัย มันผู้ที่มีตัณหาเป็นเพื่อนสองพาท่องพาเที่ยวไปแล้วแต่ตัณหาจะเสียมจะซ้อนจะบอกจะกล่าวก็เชื่อฟังโมททำตามทุกอย่างน่นะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พ้นไปจากทุกในปัจจุบันและทุกที่จะมีต่อไปในอนาคตได้น่นะอันนี้เรียกว่ามีตัณหาเป็นสหายเรียกว่าเพื่อนภายในยนะแต่ว่าเป็นเพื่อนแบบอะไรนะเพื่อนที่ว่าทำท่าเหมือนดีอ่ะในเบื้องต้นแต่ว่าในที่สุดพาเดือดร้อนตลอด อย่างสมมติว่าเพื่อนคนไหนแหมพูดคุยกับเราดีเสร็จแล้วก็ชวนเราไปกินเหล้าออเมายาเสร็จแล้วก็พากู่นี่ยืมสินเต้นไปหมดแล้วก็มาทํางานชดใช้เนี่ยนะถามว่าเพื่อนนั้นคือเพื่อนแท้ใช่ไหมเพื่อนหน้าคบหาสมาคมด้วยใช่ไหมฉันใดตันหาที่มันพาชอบพาติดพาคล้องก็ฉันนั้นดูหน้าเพลิดเพลินในตอนต้นแต่ก็พาเศร้าใจพาเดือดร้อนใจพามาหาภาระทั้งหลายติดตามมาไม่มีจบมีสิ้นฉันนั้นเนี่ยนะ อันนี้เรียกว่าตันหาที่พาพาก่อก่อทุกทุกในปัจจุบันและสัมปรายภพต่อต่อไปทุกหลายภพหลายชาติก็เพราะเยื่อใยตันหาที่อยู่ในใจส่วนบุคคลผู้มอีอะไรนะบุคคลเป็นสหายเมื่อกี้สหายภายในในสหายภายนอกก็คือบุคคลทั่วไปบุคคลบางคนในโลกนี้ฟุ้งซ่านมิใช่เป็นเหตุของตนมิใช่เพราะเหตุแห่งผู้อื่นกระทา มีใจไม่สงบคนเดียวกลายเป็นคนที่สองสองคนกลายเป็นคนที่สามเรียกว่าตอนแรกก็ฟุงนะ้งซ่านใช่ไหมเฮ้ยพอตันหามันพาไปอ ย, อยู่คนเดียวมันจะสนุกได้ไงหาเพื่อนด้วยสิก็เลยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่พอมีสี่ก็เรียกว่าสภานะสองคนก็สภาอะไรก็ว่ากันไปนะีนะ่ยนะแล้วแต่ว่าเมาอะไรเมากาแฟเมาน้ําชาเมาสุรายามีอะไรอะไรก็แล้วแต่เมา ก็เลยเพ้อเจอมากในที่ท the ี่ตนไปนั้นไปไหนเขาเจอกันมันไปคุยอริยศาสตร์ลอกเชื่อเถอะนะนี่อะไรเจอสมมติว่าเขามีเพื่อนเยอะแยะมากนะแสดงว่าเขาไม่ได้ถ้าเพื่อนเหล่านั้นถ้าพากันสนทนาอริยศาสตร์ก็ใกล้พ้นทุกข์นะแต่โดยมากไม่ใช่เพ้อเจอพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรมหามาเรื่องกองทัพเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําการสมัยเขาใช้เพราะนะเรื่องการบ้านการเมืองเขาแบบนั้นนะ พชรเดรัชันกะทานั่นและมีอะไรเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องดอกไม้เรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านนิคมชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษคนกล้าตรอกท่าน้ําเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องลัทธิสารภาพอย่างเก็บกันมาพูดมาคุยไม่ใช่คุยให้เห็นอริยสัจนะคุยค่าเวลาจะได้อยู่กับเพื่อนนานๆแค่นั้นเองอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีบุคคลเป็นสหายว่างั้นนะ การพูดจาความเกี่ยวข้องกับสหายภายในก็ดีความเกี่ยวข้องกับสหายภายนอกก็ดี <c oughs> เกี่ยวข้องด้วยตันหากับเกี่ยวข้องด้วยทิฏฐิไอความการพูดคุยการพูดจากับสหายภายในเนี่ยนะหรืออยู่กับสหายภายนอกด้วยตันหาและทิฏฐิไอในถามว่าน่ากลัวไหมในตอนปลายตอนต้นไม่น่ากลัวหรอกแต่ต่อต่อไปในอนาคต จะพบแต่สิ่งที่น่ากลัวเรียกว่าภัยจะมีภัยทั้งหลายตามมาภัยที่เกิดจากการพูดคุยเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็คือภัยภัยคือความเกิดความน่ากลัวคือการเกิดความน่ากลัวคือความแก่ก็เรียกว่าชาติภัยชราภัยพญาทีภัยมรณะภัยนะก็คือความน่ากลัวคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายราชภัยโจรภัยอะไรนะก็ภัยมาจากพระราชาภัยจากโจร ภัยจากไฟภัยจากน้ําภัยที่เกิดจากตัวเองก็ตําหนิตัวเองภัยที่เกิดจากผู้อื่นตนําหนิภัยคืออาทยาถูกลงโทษ ด, ด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นภัยคือทุกคติภัยที่เกิดจากคลื่นภัยที่เกิดจากจระเข้าวังน้ําวนปลาลายภัยที่เกิดจากการสแสวงหาเครื่องบํารุงเลี้ยงชีวิต ภัยที่มาจากความติเตียนเนี่ยนะติเตียนก็คือถูกนินทาทั้งหลายหรือภัยที่เกิดจากความขั้นคราำในประชุมชนเหตุที่น่ากลัวความหวาดเสียวความขนลุกขนพองความที่จิตหวาดสะดุ้งความที่จิตหวาดวันกระหวะถ้ามีการพบปะเจอะเจอพูดคุยมีความเกี่ยวข้องภัยเหล่านี้ต้องมีแน่นอนนะจบด้วยภัยเหล่านี้ เมื่อมีการพูดคุยโดยเฉพาะคุยเรื่องธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ปานพูดคุยเพื่อรู้เห็นอริยสัจไม่ได้ช่วยทำให้พ้นทุกข์อะไรเลยถึงจะดูดีหรือสำคัญปานใดก็ตามในที่สุดก็จบลงที่ภัยเนี่ยนะภัยคือชาติชารานะความน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นชาติชารามรณะโสกา ป, ปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาสาหรับผู้ที่เกิดมาแล้วสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องเช่นภัยมาจากพระราชาภัยมาจากโจรภัยจากไฟภัยจากนา้า ภัยจากการถูกเตะเตียนว่าร้ายภัยจากอาทยาภัยในอบายทุกขติวินิบาตนรกสารพัดภัยทั้งหลายก็จะตามมาเพราะอะไรเพราะขันห้าเนี่ยเป็นที่รองรับภัยสารพัดชนิดถ้าไม่มีขันห้าภัยทั้งปวงจะมีได้ไหมก็เนื่องจากมีขันห้าจึงมีภัยต่างๆบุคคลเมื่อเห็นภัยเหล่านี้ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็พึงเที่ยวไปด้วยอริยมครคมีองค์แปด ด้วยการบวชหรือด้วยการเห็นอริยสัจเป็นต้นฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคาถาที่สิบห้าก็จบลงนะเพราะว่าพิจารณาเห็นภัยนะก็จากลูกพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องลูกนี่แหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะเออเนี่ยคือคื อ, คอท่านเห็นเลยนะว่าถ้ามีการอยู่กับลูกเลี้ยงลูกต่อไปเนี่ยนะที่จริงเนี่ยปกติแล้วบางคนก็บอกว่าผู้ชายหลายคนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตมันจะมีความสุขบ้างก็คือเนี่ย พูดคุยกับลูกนี่แหละมันเขาจะต้องรีบทำงานให้เสรรีกลับบ้านบักทำไมจะได้ไปคุยกับลูกไปหยอกเย้ากับลูกวางั้นถ้ากลับบ้านดึกเดี๋ยวลูกจะหลับไปซะ ก, ก่อนอดพูดกับลูกวางั้นเลยว่ามีความสุขในการพูด้านคุยอยู่กับลูกนั่นแหละนี่สาหรับพระปเจ ก, กโพธิสัตว์พระองค์นี้ท่านรู้เลยว่าเมื่อมีการอยู่กับลูกเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะท่านคิดชีวิตตลอดสาย บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่คิดชีวิตชาติเดียวคิดว่าเออเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับลูกคลุกคลีอยู่กับลูกจนตายและชีวิตหลังจากตายไปแล้วถ้าเกิดมาพบใหม่ต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คือมองเห็นชีวิตอย่างตลอดสายถ้ามองในยะตรงกันข้ามถ้าออกจากความผูกพันออกจากความติดข้องด้วยอำ น, นาจตันหาเป็นต้นออกด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นอย่างไรก็เห็นเส้นทางแห่ง วัตตะและวิวัตตะก็ปฏิบัติในวิวัตตะจนได้ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองนะส่วนคาถาที่ส6บหคาถาที่สบหได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีเศรษฐีบุตรยังหนุ่มตอนหนุ่มก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีนะตแหน่งเศรษฐีเศรษฐีบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังสำหรับสามฤดูนั่นก็รวยมากเลยนะ เศรษฐีบุตรนั้นบำรุงบำเรอด้วยสมบัติทั้งปวงเหมือนเทพกุมารที่ยังหนุ่มอยู่วันหนึ่งก็ได้ปรึกษากับมารดาและบิดานะไม่ใช่ว่าโหดูแลบำรุงบำเรอให้มีความสุขที่สุดแล้วคิดว่าจะผูกอยู่นะสำหรับคนที่มีอัธยาศัยวิวัตต์สาหรับคนที่มีอัธยาศาัยแห่งพระนิพพานไม่ใช่ว่าได้รับการเอาอกเอาใจได้รับการดูแลมากแล้วจะติดจะข้องบางท่านก็บอกว่า พ่อแม่บางคนเนี่ยนะที่ที่เขาไม่อยากให้ลูกบวชนะก็จะสร้างบ้านสร้างช่องให้ลูกรีบมีครอบครัวอย่างนั้นอย่างงี้เรียกว่าทําคุกให้อยู่ซากกางนั้นนะคุกอันละมุนละไมก็งั้นบางจำนวนบางท่านเขบอกว่าไอความสุขเหล่านี้ก็คุกอันละมุนละไมจะได้ติดได้ข้องก็ได้ไม่ต้องจาดอย่างนั้นติดคุกที่เสมือนไม่ได้ติดเนี่ยนะมีความสุขมากก็คุกอันละมุนละไมพก็งั้นในที่สุดก็แต่สําหรับคนที่มีอุปนิสัยก็แหกคุกตลอดอนะ จากละมุน ล, ละไมขนาดไหนหรือจะคุกหัวร้ายขนาดไหนก็หาทางออกอย่างเดียวเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ไปปรึกษากับพ่อแม่ว่าลูกจากบวชนะพ่อแม่ก็ห้ามเศรษฐีบุตรนั้นก็ยืนยันตามเดิมคืออย่าลืมนะว่าลูกคนเดียวเนี่ยลูกคนเดียวเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยนะวันไหนพยศขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะนะตอนที่เรียกว่าโอ้เอาอกเอาใจคุยกันรู้เรื่องพอวันหลังไปยืนกลานขึ้นมาเข้า ก็บอกว่าลูกจักบวชอย่างเดียวยังไงก็บวชพ่อแม่ก็เลยห้ามอีกว่าดูลูกเจ้าเป็นคนละเอียดอ่อนการบรนประชาบวชเนี่ยทํายากเหมือนเช่นกับเดินไปเดินมาบนมีดบนคมมีดโกนลูกบวชยากนะยากยังไงบัางก็เล่าให้ฟังเลยนะก็แล้วอุปมาบอกว่าเผ็ดร้อนเหมือนกับเดินเหยียบคมมีดโกนน้กไปอยู่ยังไงลูกเกิดมามีคนดูแลเคยได้รับการปรนิบัติ ก็เหมือนกับว่าจากบ้านจากเมืองกลายไปเป็นเหมือนคนอยู่ป่าอยู่เขาเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีสถาบันรองรับนั่นะไม่มีสถาบันคณะสงฆ์สถาบันอะไรรองรับก็เหมือนกับว่าเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ดีๆกลายไปเป็นคนป่าคนเขาไปคอยมาว่างๆมาขออาหารเขาไปกินหน่อยหนึ่งเสร็จ แ, แล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาใหม่มันดียังไงลูกมันเดือดร้อนมากเลยนะมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหรอกเขาก็ยังยืนยันตามเดิม มารดาก็เลยคิดว่าถ้าบุตรนี้จกบวชพวกเราก็เสียใจถ้าห้ามเขานั่นเสียเขาก็จะเสียใจโอ้ยมันยากใจแท้เนอะพ่อพู้เป็นพ่อเป็ น, ป น, ปนแม่เนี่ยนะไอตอนมีลูกลูกว่านอนซอนง่ายนะมีความสุขเหลือเกินลูกเราดีดีพอลูกเป็นอย่างนี้เขารักลูกก็รักอยากให้ลูกอยู่ก็อยากถ้าหากว่าเราอนุญาตให้ลูกบวชเราเองก็เสียใจเนี่ยนะเพราะเราก็ กลัวความพลัดพรากจากลูกสุดที่รักอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากาห้ามให้ลูกจะบวชเลยอยู่อย่างนี้เธออลูกก็เสียใจนะพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยจะชนะอะไรดีช่างเถิดความเสียใจจงมีแก่พวกเราแต่อย่ามีแก่บุตรรักลูกมากเอายอมกันแล้วกันสุดแท้แต่ลูกกันแล้วกันนะยอมเสียใจนะสองตายายยอมเสียใจอนุญาตให้ลูกไปบวชได้ จากนั้นเศรษฐีบุตรนั้นก็ไม่คำนึงถึงปริชนปริชนแล้วว่าคนรอบคนโดยรอบนับตัง้งแต่พ่อแม่มิตรญาติบริวารเป็นต้นทั้งหมดที่ ค, คร่าครวญอยู่ไปอยู่ป่าอิสิปตนาเลนะไปอยู่ป่าอิสิปตนาไอป่าอันนั้นเราก็ไปกันตั้งหลายคนก็ไม่เห็นใครคิดจะไปอยู่บ้างเลยนะก็ไปกันตั้งเยอะนะั่นในห้องนี้ก็ไปกันมาหลายคนนั่นป่าอิสิปตนาเนี่ยนะแต่เห็นสถานที่เดียวกันแต่มันคิดไม่เหมือนกันนะเนาะใจมันไม่ได้เท่ากันอะไรเหมือนกัน เสร็จแล้วก็ไปบวชในสำนักของพระประเจกครับพุทธเจ้าเสนาสนะอันโอลานย่อมไม่ถึงแก่เขาหมายคขาว่าพระบวชใหม่ก็บอกอะไรนะกุฏิที่เหลือนั่นแหละหลังสุดท้ายนั่นแหละจะตกแกเ่เขาก็ก็ต้องปูเสื่อลำแพนบนเตียงแล้วก่อนอนปกติก็เคยชินแต่ที่นอนอันประเสริฐตกเป็นทุกขอย่างยิ่งตลอดคืนเนี่ยนะให้มานอนเตียงธรรมดาแล้วก็เสื่อผื้นผอมอนใบเนี่ยให้นอนอยู่อย่างงั้นแม้มันทุกทรมานเหลือเกิน ปกติก็ต้องมีคนคอยดูแลคอยอะไรทุกอย่างกล้ทุกทั้งคืนทําบริกรรมสรีระแม้แต่เช้าก็เลยถือบาดจีวรเข้าไปบิณฑบาตพร้อมกับพระประเจกพระพุทธเจ้าในพระประเจกพรพุทธเจ้าเหล่านั้นท่านผู้บวชนานผู้แก่คือผู้บวชนานย่อมได้อาสนะที่เลิศและบินดาอาหารที่เลิศผู้ใหม่ย่อมได้ตามมีตามเกิดหมายว่าเหลือเท่าไหร่ก็ตกแก่ผู้ใหม่ะนะหมายว่าพ้นอาหารก็ได้แต่อาหารที่เร็ว เศรษฐีบุตรผู้นั้นเป็นทุกอย่างยิ่งนะทุกเหลือเกินแม้ด้วยโภชนะอันเลวผ่านไปนอสองสามวันพร้อมนะสองสามวันนี่ก็พร้อมเลยนะยิ่งไปอดอาหารแบบยิ่งอัหนักกว่าอะไรนะแต่อดอาหารเพื่ อ, อ, อลดน้ำหนักเป็นต้นเนี่ยนะพร้อมเลยมนะันผิวก็เศร้ามองเบื่อหน่ายในสมนณธรรม ไอตอนอยู่บ้านจะหานิพานให้ได้เลยนะพอไปอยู่ป่าเข้าจริงๆไม่เอาแล้วว่างั้นนะจะสุกแค่ไหนนิพานกลับบ้านก็ได้ว่างั้นนะคที่บ้านก็สุกไม่เลวก็เลยอยากกลับบ้านเพราะอะไรเพราะยานยังไม่ถึงความแก่รอบคือคืออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุก็เลยส่งทูตส่งข่าวไปบอกพ่อบอกแม่ศึกดีกว่ามาน่ะท่านอาชาติสุดท้ายนั้นยังบวชศึกอีกเศรษฐีบุตรนั้นอยู่มาก็ได้กําลังเล็กน้อย บวชไปบวชมาเออมากลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะอยู่ครอบครัวมีความสุขตามเดิมอีกแล้วสริยาตหนึ่งไม่กี่วันเนี่ยอยากจะบวชอีกพอบวชอีกก็ซึกอีกทำนองนี้จนครั้งที่สามบอกว่าถามว่าทำไมอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นนักบวชคงคงเกลี้ยกล่อมสันเสริญคุณแห่งคารวาสให้พระภิกษุเราอดีตเนี่ยซึกไป อย่างอย่างบางคนในสมัยนี้เนี่ยนะบอกโอ้สึกเธอไปคอยเกลี้ยกล่อมให้พระศึกอะไรเป็นต้นเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งกรรมตัวนี้พอตัวเองบวชเข้ามาเนี่ยถึงชาติสุดท้ายก็บวชบวชศึกๆึเนี่ยนะสึกๆึกแล้วก็บวชบวชแล้วก็ศึกอยู่นั่นแหละ ว, วนวนแล้ววนเล่าเพราะอะไรเพราะตัวเองเคยสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคาระวะพอไปบวชแล้วก็จะ เบื่อหน่าแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านนี่ก็เดือร้อนอีกอยากบวชอีกบวชอีกก็เดือร้อนอีกศึกอีกก็เลยบวชบวชศึกๆึกแต่เนี่ยนี่เหตุใกล้เหตุไกลก็คืออนะเหตุไกลก็คือในอดีตเคยสรรเสริญคุณแห่งความเป็นกระดิษชัดโชนให้คนอื่นที่บวชแล้วศึกหาลาเพศเป็นต้นนะนะ